มิลินท่าปัญหาอุปมากถาปัญหาลาวุลตาวัคที่สองเรื่ององค์แห่งน้ำเต้าประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกระสัตราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัถามด้วยองค์แห่งน้ำเต้าต่อไปว่า องอนหนึ่งแห่งน้ำเต้านั้นอย่างไรเล่าพระนาคเษนเถ ร, ระเจ้าจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกะระบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาเถ่าน้ำเต้าย่อมเลื้อยไปเอางวงพันเหนียวหน่วงซึ่งยอมหญ้าและไม้แห้งแล้วเลื้อยผ่านไปในเบื้องบนงอกงามอยู่ณเบื้องบนนั้นญาถามีขรุวนาชันใด พระโยคาวาจรเจ้าพึงกระทำอารมณ์ให้เหมือนเถาน้ำเต้าอันมีงวงนวงเอาพระอรหันต์ด้วยใจให้จำเริญอยู่ในพระอรหันต์นั้นมหาราชะดุกระบรมบพิษผู้มีศักดิ์เป็นอัคระกษัตริย์อันประเสริฐนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งน้ำเต้ายุติด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจ้ากล่าวไว้ว่ายถาลาวุลตานามะ ติเนกเทละตายวาอารัมพิตวาโสนดีกาหิตโตวัตติรูหติตะเทวพุทธปุตเตนะอรหัตตะพละกามินาอารัมมะเนอารัมพิตวาวัธิตับพังอเสขะพลังมีความว่าธรรมดาเถ่าน้ำเต้าย่อมเอางวงเหนียวเลื้อยไปบนหญ้าและไม้แห้งหรือเถาวัน จเจริญงอกงามอยู่บนสิ่งเหล่านั้นชั้นใดพระพุทธบุตรผู้ใคร่จะบรรลุพระอรหัตผลก็พึงงน่วงอารมณ์จเจริญพระอเสขผลฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งปธุมชาติสามประการสมเด็จบรมกษัตราธิบดีทรงพระนามชื่อว่ามิลินปิ่นสาค拉 ร, ราชธานี จึงมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์แห่งปฐุมชาติสืบต่อไปว่าองค์แห่งปฐุมชาติสามประการนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเษนเถ ร, ระเจ้าจึงถวายวิสัชนาว่าธรรมดาว่าปฐุมชาติบัวหลวงเกิดเนื่องเจริญขึ้นด้วยอาศัยซึ่งอุทกังและไม่ได้ติดไปด้วยญาติมีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า มิได้ยินดีด้วยตระกูลและหมูนะ่คณะและลาบยศศักด์และการบูชานับถือและจะตุปัจจัยที่บริโภคและจะได้มีอารมณ์ติดไปด้วยสัพพกิเลสหามิได้ดุจปฐุมชาติอันไม่ได้ติดด้วยอุทะกังนั้นนี่เป็นองค์แห่งปฐุมชาติเป็นปฐมมหาราชขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งเล่าปฐุมชาตินั้น ย่อมลอยน้ำอยู่เสมอมิรู้จมยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวพระจอเจ้าก็ครอบงำเสียได้ซึ่งสัพพภัยและความโศล อ, อ, ยอยู่ในโลกุตรธรรมเหมือนปธุมชาติฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งปธุมชาติคำรบสองมหาราชะลูกระบรมบรพิษผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐ ประการหนึ่งเล่าปฐุมชาตินั้นอารมณ์มีประมาณน้อยพัดถูกต้องแล้วก็สะเทือนวันไหวยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงสำรวมในกิเลสแม้มีประมาณน้อยและมีปกติเห็นภัยทั้งปวงย่อมวันไหวต่อกิเลสภยัยเหมือนปฐุมชาตินั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งปฐมชาติที่คำรบสามสมด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมโลกน า, า, าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานไว้ว่าอนุมัตเตสุวัเชสุพยาทสาวีสมาทายะสิกขติสิกขาปะเทสุมีความว่าอันพระโยคาวจรเจ้านั้นถึงโทษจะน้อยก็กลัวนะัก ย่อมสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพืชสองประการสมเด็จพระบรมกาสัตราธิ่ดีทรงพระนามว่ามีลินปิ่นสา克拉ราชธานีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนด้วยองค์แห่งพืชสืบต่อไปว่าองค์แห่งพืชสองประการนั้นอย่างไรเล่า พระนาคเสนเถ ร, ระเจ้าจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอพิษผู้ประเสริฐพีชังนามะขึ้นชื่อว่าพืชผุ่นข้าวอัปมัตตกรรมปิแม้มีประมาณน้อยอันบุคคลหวานลงแล้วในเนื้อนาอันดีทั้งฝนก็ชุกชุ่มรากและใบพืชที่หวานลงนั้นไซก็ให้ผลมากนักหนายะถา มีขรุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงพิจารณาดูศีลที่มีโทษอันน้อยมิให้ด่างพร้อยเป็นสามัญญผลแล้วก็พึงปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละเป็นองค์แห่งพืชเป็นปฐมปุณณจัปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ ธรรมดาว่าพืชอันบุคคลหวานลงในเนื้อนาที่เขาชำระดีแล้วคือถากถางพวนดินไว้เป็นอันดีย่อมงอกงามเจริญโดยเร็วยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงกระทำน้ำใจให้ดีอยู่ในที่สงัดแล้วหวานลงซึ่งจิตนั้นในพระสติปัฏฐานอันเป็นเนื้อนาอันเลิศ ก็จะเกิดผลเจริญงอกงามโดยเร็วพลันฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์ที่สองแห่งพืชยุติด้วยคำอันพระอนุรุทธะเถระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่ายะถาปิเขเตเตปริสุทเทพี่ชันจัดสะปะติทิตังโหติวิปุลังพลันตัสสะปริโตเสติกัสโกตะเทวโยคินาจิตัง สุญญาคาเรวิโสทิตังสติปัฏฐานะเขตะวะเรคิปะเมวะวิรูหติมีความว่าพืชที่หวานลงในเนื้อนาอันดีบริสุทธิ์เป็นที่งอกงามย่อมมีเมล็ดผลภัยบู์ให้เจ้าของนาชมชื่นยินดีฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ชำระจิตให้สะอาดในที่อันสงัดแล้ว ย่อมเจริญงอกงามในเนื้อนาอันประเสริฐคือพระสติปัฏฐานโดยเร็วพลันดุจพืชนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งไม้ขานางประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินบูมิณธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสน ต, ต่อไปว่าองค์หนึ่งแห่งไม้ขานางนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาว่า มหาราชะดุกระบรมบพิษผู้มีศัก์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่าไม้ขานางนั้นย่อมเจริญในภายในแผ่นดินงอกขึ้นได้ประมาณร้อยศอกยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็สแสวงหาพระสามัญญผลสี่พระปฏิสัมพิทาสี่พระอภิญญาหกและสมณธรรมทั้งปวงในเรือนอันสงัด ในวงเล็บคือในป่าอันสงัดย่อมเจริญขึ้นดุดต้นขานางคุดอยู่ใต้ดินเกิดขึ้นได้ประมาณมาร้อยศอกฉะนั้นนี่เป็นองค์อันหนึ่งแห่งไม้ขานางยุติด้วยคำที่พระราหุนเทระเจ้ากล่าวไว้ว่าสารกัลยานิกานามะปาทโปูทรนิรุโหอันโตปทวิยังเยวะ สตหัดเถปวัตถติยถากาลหิสัมปัเตปริปาเกณโสทุโมอุพิชิตวานะเอกาหังสตะหัตเถปวัตถติเอวะเมวโขมหาวิโรสาระกัลยาณิกาวิยะอัพันตเรสุญญาคารเรธรรมโตอภิวัทติมีความว่า ธรรมดาว่าต้นขานางมีรากยั่งไปใต้ดินได้ร้อยศอกครั้นถึงการอันแก่แล้วก็งอกขึ้นวันเดียวได้ร้อยศอกฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเจ้าย่อมเจริญขึ้นในที่สงัดโดยธรรมดาดุดต้นขานางฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนาวาสามประการ สมเด็จพระเจ้ามิรินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชโอรสการตรัสถามองค์แห่งนาวาต่อไปว่าองค์แห่งนาวาสามนั้นอย่างไรเล่าพระนาเขาเสนเทระเ จ, จ้าจึงถวายวิสัชนาวา่ามหาราชารูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่านาวา น, านั้นคนต่อด้วยเครื่องไม้มีกงวานกระดานตะปูตอกชัญญาเป็นต้น และมีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆย่อมยังฝูงชนทั้งปวงให้ข้ามไปได้สำเร็จตามความปรารถนายะถามีขรุวนาชันใดพระอยู่ขาวาจรเจ้าก็พึงรื้อขนสัตว์ในมนุษย์และเทวโลกให้ข้ามถึงฝั่งด้วยความพร้อมเพรียงกล่าวคือเครื่องปรุงคือธรรมต่างๆได้แก่มารยาทและศีลคุณและวัตถปฏิบัต เปรียบเหมือนนาวาอันเป็นที่จะบรรทุกบุคคลให้ข้ามถึงฝั่งฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาวาเป็นปฐมปุณณจะปารังอีกประการหนึ่งเล่าดูรานะบพิษผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่านาวาคือสำเภากกำปั่นนั้นอดกลั้นมั่นคงทนมระลอกและคลื่นได้ยะถา มีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงอดกลั้นซึ่งคลื่นคือกิเลสมีประการเป็นอันมากและลาบสการะและบูชาวันทนานบวายและนินทาประสังสาสุขทุกข์ในสงสารและโทษมีประการต่างๆอันเป็นกิเลสดุจนาวาอันอดทนรรลอกคลื่นได้ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาวาคำรบสอง ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเรสริฐสำเพร า, าวานั้นย่อมแล่นไปในมหาสมุทรอันลึกประกอบด้วยปลาใหญ่อันร้ายก็หาภัไม่ได้ยถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงทรงไว้ซึ่งจิตอันรอบรู้ซึ่งพระจตุราริยสัตรปริวัตสาม อาการสิบสองและขนขวายซึ่งบารมีอันจะข่มขีเสียซึ่งสัญญาทั้งปวงดุจนาวาอันแล่นไปในมหาสมุทรไม่มีภัยฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาวาคำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ในสัจจะสังยุตอันมีในสังยุตตะนิกายอันประเสริฐ ว่าดังนี้จินเตยยาทะตุมเหภิกขเวอีทางทุกขันติละจินไตยยาทะอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามีความว่า พ, วพิกเวดูกะระภิกสุทั้งปวงท่านจงคิดถึงสัจธรรมทั้งสี่ว่าอีทางสิ่งนี้แหละเรียกว่าทุกขะสมุ ท, ทยัยสิ่งนี้แหละเรียกว่าทุกขนิโรธ สิ่ง น, นี้แหละเรียกว่าทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทาดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนาวาอันติดโสโครกสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิ่พอดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์แห่งนาวาอันติดโสโครกอยู่ในมหาสมุดสองประการต่อไปพระนากเกษณจึงถวายพระพรว่ามหาราชา ดุราณะบบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาว่านาวาที่ติดโสโครกอยู่ในมหาสมุดนั้นย่อมจะ ก, กระทบไปด้วยคลื่นและระลอกเป็นอันมากนาวานั้นติดแน่นบ่อมีหลุดแล่นไปสู่ที่อื่นได้ยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงยังจิตที่จะให้ค้่องอยู่ในสภาวะที่จะประหารซึ่งมหาวิตกอันมาก และราคะโทสะโมหะมิให้เกิดในสันดานได้เร่งรักษาจิตไว้อย่าให้เตะไปในที่อื่นได้ดุจนาวาอันติดในโสโครกค่องอยู่ในมหาสมุทรมิได้ไปในที่อื่นนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาวาเป็นปฐมมหาราชะดุราณะบพิษผู้เป็นจอมกษัตริย์อันประเสริฐองค์แห่งนาวาค่องอยู่ในมหาสมุทรอีกอย่างหนึ่งนั้น คือนาวามิได้หวันไหวจมดิ่งลงอยู่ในน้ำลึกแล้วไม่ได้เลื่อนไปอื่นจมอยู่ที่เดียวยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าไม่ได้จมอยู่ในลาบส ก, การะและที่เคารพนบนอบนับถือพึงหาเลี้ยงชีวิตพอเป็นยาปนนณมัตรตั้งจิตไว้แน่แน่ดิ่งอยู่ดุจนาวาจมอยู่ในน้ำนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งนาวาอันคล่องอยู่ในมหาสมุทรที่ขครบสองอยุติด้วยคำอันพระธรรมมเสนาบดีสาเรบุตรเจ้ากล่าวไว้ยะถาสมุทเทลักขะนากาณนะปะละวติวิสีทติตถาลาภสักการณนะมาละเเคถะบสีทะถะมีความว่านาวาเมื่อจมลงในมหาสมุทรมิได้วันไหว และตั้งอยู่ที่เดียวฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็มิได้จมอยู่ในลาบและสการะดุจนาวาอันติดอยู่ในมหาสมุทรชันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งเสากระโดงประการหนึ่งพระเจ้ามิลินภูมินธราธิ่พดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์แห่งเสากระโดงสืบไปว่า องหนึ่งแห่งเสากระโดงนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเษนเถระเจ้าวิสัชนาว่ามหาราชดูราณะบพิษผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐกูโปโนามะชื่ออันว่าเสากระโดงย่อมทรงไว้ซึ่งใบและเชือกและรอกได้ฉันใดพระโยคาวจอนเจ้าพึงประกอบทรงไว้ซึ่งสติสัมปัญญารู้รอบคอบ คือในเวลาจะเดินยืนนั่งนอนก็ดีในเวลาก้าวไปถอยหลังกลับก็ดีในเวลาเหลียวไปแลมาก็ดีในเวลาคู่เข้าเอียดออกก็ดีในเวลาห่มผ้าสังคาติหรือจีวรหรืออุ้มบาตรก็ดีในเวลาเดินฉันหรือเคี้ยวและลิ้มรสก็ดีในเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ดี ในเวลาเดินไปและนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่นิ่งอยู่ก็ดีเพิ่งมีสติสัมปชัญญะประจำอยู่ทุกเมื่อดุดเสากระโดงอันทรงไว้ซึ่งใบและรอกและเชือกนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเสากระโดงประการหนึ่งยุติด้วยพระพุทธดีกาที่พระมหากรุณาเจ้าหากตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่า สโตภิกเวภิกขุวิหารยะสัมปะชาโนโอยังตุมหากังอนุสาสนีมีความว่าพิกเวดูกระท่านทั้งหลายุภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะแล้วจงบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีคำสั่งสอนที่เราให้ท่านทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพร เรื่ององแห่งล้าต้าต้นหนสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามซึ่งองสามแห่งล้าต้าต้นหนสืไปพระน่าเกษณ์ จ, จิงวิสัชนาว่ามหาราชาดูราณะอภิษ พ, พระราชสมภารผู้ประเสริฐวิยามโกนามะชื่ออันว่าต้นหนย่อมมีสติมัธยัด ต, ตั้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคอยดูสมเพา ยะถามีขรุวนาฉันใดพระยูข่าววจรเจ้าพึ่งกระทำเหมือนต้นหนนั้นยาประมาททั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งรักษาจิตของอัตมาด้วยโยนิโสมณนิการปัญญาเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งต้นหนนจัดเป็นปฐมมหาราชะขอถวายพระพร สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในพระธรรมบทว่าอัปมาทะระตาโหถะส จ, จิตตะมนุรคกะทุกขาอุทธระถตตานังปังเกสันโนวะกุญชโรมีความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท ร, รักษาไว้ซึ่งจิตของตนเพียนที่จะให้พ้นกิเลส ดุดพระยากุญชร อ, อันติดอยู่ในเปลือกตมอันเพียนจะขึ้นจากเปลือกตมฉะนั้นปุณะจะ บ, บรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาว่าต้นหนย่อมรู้ว่าที่นั้นเป็นโสโครกที่นั้นไปสวัสดีในนทีทางสมุทรยะถามีครุวนาชันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็กำหนดไว้ว่าทำสิ่งนี้เป็นโทษทำสิ่งนี้หาโทษไม่ได้สิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้เลวสิ่งนี้ประนีตสิ่งนี้ดำเป็นการหปักสิ่งนี้ขาวเป็นสุกกระปักมีอุปมาเหมือนต้นหนนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งต้นหน เป็นคำรบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาว่าต้นหนย่อมตั้งเข็มด้วยตนเองมิให้ผู้อื่นถูกต้องระวังเรือไม่ให้เป็นอันตรายยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรก็พึงตั้งเข็มคือความสำรวมจิตเป็นอันดี ระหวังงมิให้ตรึกไปในอากุศลวิโตกลามกเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งต้นหนที่คารบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายว่ามาพิขเวปาปเกอากุสเลวิตกเกทะสยถีทังกามะวิตกังพยาปาทวิตกังวิหิงสาวิตกัง มีความว่าพิกเวดูราณะภิกษุทั้งหลายท่านอย่าได้วิตกถึงอกุศลอันเป็นบาปอากุศลที่เป็นบาปคือสิ่งใดคือกามะวิตกประการหนึ่งพยาบาดวิตกประการหนึ่งวิหิงสาวิตกประการหนึ่งดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งคนทำการงานประการหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าเมรินภูมินธราธิปดีจึงตรัสถามด้วยองค์แห่งคนทำการงานต่อไปว่าองค์หนึ่งแห่งคนทำการงานนั้นอย่างไรเล่าพระนาเกษจรจึงวิสัชนาว่ามหาราชะดุราณะบพิษผู้ประเสริฐบุคคลกระทำการงานนั้นคิดดังนี้ว่าอะหังอันว่าอัตมาพัตติโกจะกระทำการจ้างท่านด้วยหวังจะได้ค่าจ้างมาก ที่นี้อัตมาไม่ประมาทแล้วจะกระทำให้ได้การงานความนี้เปรียบฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงคิดดังนี้ว่าอาหังอันว่าอัตมาจะพิจารณาซึ่งมหาภูตกายทั้งสี่คือพิจารณากายเป็นปัทถภีอาโปเตโชวายโยให้หนึงเนืองไม่ประมาทให้จิตเป็นเอกคตา มีสติสัมปชัญญะรู้รอบคอบอัตมาก็จะพ้นจากชาติชาราพยาธิมรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนตสอุปายาตที่นี้อัตมาไม่ประมาทแล้วพึงคิดเหมือนกันกันกบคนกระทำพัตติกรรมชนี้นี่แหละเป็นองค์แห่งคนกระทำการงานอันหนึ่ง ยุติด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจ้ากล่าวไว้ดังนี้กายังอิมังสัมมะสถะปริชานาปุณัปุนังกายเยสภาวังวิทิตวะทุกขัดสันตังกริสถะมีความว่าท่านทั้งหลายจงพิจารณากำหนดซึ่งกายของอัตมานี้เนืองเนืองท่านทั้งหลายรู้ความเป็นจริงในกายนี้แล้ว จะกระทรรมที่สุดแห่งทุกได้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งมหาสมุดห้าประการสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราชธี่ปรดีจึงตรัสถามด้วยองค์แห่งสมุด ต, ต่อไปว่าองค์แห่งมหาสมุดห้านั้นคืออะไรบ้างพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดูกรณบบพิษผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสรศิฐ ธรรมดาว่ามหาสมุทนั้นมิได้มีซากศพติดอยู่ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้ามิได้ติดอยู่ด้วยราคะโทสะโมหามาะมานะมักคือลบหลู่กุณท่านและตรณีลิศยามายาสาไถใจบ่อมโกงโกหกทุจริตมนทินกิเลสดุจพระมหาสมุท อันมิได้เจือไปด้วยอาสุภะฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งมหาสมุทรจัดเป็นปฐมปูณจะ บ, บรังมหาราชะดุราณะบพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอีกประการหนึ่งเล่ามหาสมุทรทรงไว้ซึ่งแก้วมุกดาแก้วไผทูลแก้วประพานแก้วผลึกมีประการต่างๆมิได้เรียรายไปในภายนอก ยะถามีอุปมาฉันใดพระโยคาวะจรเจ้าได้แล้วซึ่งมรรคและผลวิโมกสมาธิสมาบัติและพระวิปัสนาพระอภิญญาหกซึ่งจัดเป็นแก้วอันเลิศต่างๆก็พึงอรักษาไว้ภายในจิตมิได้ให้แพร่ไปภายนอกดุดมหาสมุตรทรงไว้ซึ่งแก้วต่างๆนั้นนี่แหละเป็นองค์คำรบสองแห่งมหาสมุต ปุณณจะปรังมหาราชะดุราณะบพิษผู้มีศักดิ์เป็นอคัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่ามหาสมุทรย่อมเป็นที่อยู่แห่งมหาพูดเป็นอันมากชั้นใดพระโยคาว่าจอเจ้าพึงเข้าไปใกล้แล้วซึ่งพรหมจารีเป็นกัลายาณมิตรอัปปิดฉังสันตุถังอันมากน้อยสันโดษและกล่าวสรรเสริญซึ่งทุดง และประพฤติสันเลขะความขัดเกล่าและประกอบด้วยมารยาทเป็นลัทธิพิษุมีศีลเป็นที่รักควรจะเคารพควรจะสรรเสริญเป็นผู้อดตามถ้อยคำมีใจหนักและตักเตือนให้รู้ติเตียนคนบาปให้โอวาดความสั่งสอนชักชวนให้รู้ให้สมาทานว่าให้เกิดอุสาหะ สรรเสริญซึ่งใจเป็นกุศลดุดมหาสมุทรอันเป็นที่อยู่แห่งมหาพูดทั้งหลายฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์คำรบสามแห่งมหาสมุทรปุณะจะปรังมหาราชะดูรานะบทพิษผู้ประเสริฐประการหนึ่งสมุตรย่อมเต็มไปด้วยน้ำอันไหลามาแต่แม่น้ำทั้งหลายคือคงคายะมุนาอาจิระวดี สารภูมหีและน้ำในอากาศเป็นอันมากฉันใดพระโยคาวะจรเจ้าก็มิได้ล่วงเสียซึ่งสิขาบทเพราะยินดีซึ่งลาบสการะและการสรรเสริญและนับถือไหว้นบบูชาเหตุแม้เลี้ยงชีวิตพึ่งทรงศิขาบทไว้ให้บริบูรณ์ดุดสมุดอันเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์คำรบสีแห่งมหาสมุด ยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาโปรดประธานไว้ดังนี้เศยถาปิมหาราชะสมุทโทธทิตะธรมโอเวงนาติกมติเอวะเมวะโคมหาราชะายังไมายาสาวกานาังสิขาปทังตังมะมะสาวกาชีวิตะเหตุปินาติกมันติพระพุทธดีกานี้ตรัสแก่บรมกษัตริย์องค์หนึ่ง มีนาำมิได้ปรากฏมีใจความว่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาว่าสมุดเต็มด้วยน้ำยังมิได้ลดถอยน้อยแห้งเหือดไปยะถาปิแม้ฉันใดอันวสิขาบทอันใดที่ตถาคตบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายสาวกของตถาคตจะได้ละวางหาไม่ได้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต สิกขาบทไม่ได้ด่างพร้อยถอยไปได้ดุดมหาสมุรอันเปียมด้วยน้ำดังนี้ขอถว า, ายพระพรปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งสมุดไม่รู้เต็มด้วยน้ำอันไหลมาแต่แม่น้ำทั้งปวงคือคงคายามุนาอาจิระวดีสระพูมหีและน้ำอันตกจากอากาศด้วยฉันใดก็ดีพระโยคาวะจรเจ้า จะได้เบื่อนายในที่จะฟังซึ่งอัตถกถาบาลีและพระอภิธรรมพระวินัยพระสูตรเป็นบทวิคหะและเป็นบทวิพัตติและคำสั่งสอนของสมเด็จพระมหากรุณามีองค์เก้าประการนั้นหาไม่ได้ดุดสมุดไม่ได้รู้เต็มด้วยน้ำฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์คำรบห้าแห่งมหาสมุด ยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าตรัสไว้ในมหาสุตตาโสมชาดกว่าอคิยะถาตินะกัตถังดานโตนตปติสาคโรวาณนาทีหิเอวังปิเวปันตาิราชเศรษฐาธมังสุตตวานตับปันติสุภาสิเตนะมีใจความว่าราชเศรษฐ ดูราณาบอดิด พ, พระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าเพลิงไม่ย่าแห้งแล้วมิได้รู้อิ่มและมหาสมุดอันใหญ่มิรู้เต็มด้วยน้ำยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวะจอนเจ้าก็ไม่ได้อิ่มด้วยสุภาษิตดุดเพลิงและสมุดฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพร ลาวุลตาวักที่สองแต่เท่านี้ในที่สุดวักนี้พระคันธารจนาจารย์เจ้าผูกอุทานคาถากล่าวหัวข้อบทมาติกาที่แสดงมาแล้วข้างต้นไว้ว่าลาวุลตาจะปะทุมังพีชังสาระกัลายานิกานาวาจะนาวาลักขนังกูปูนิยามิโกตถา กรรมกาโรสมุทโจอวัคโเตนะปวุจจติมีใจความว่าองแห่งน้ำเต้าองแห่งปฐุมองแห่งพืชองแห่งไม้ขานางองแห่งเรือองแห่งเรือที่ติดโสโครคองแห่งเสากระโดงองแห่งต้นหนองคงแห่งคนทำงานองแห่งสมุดเหล่านี้ท่านจัดเป็นวักอันหนึ่ง ดังนี้แหล